ชีวิตดีๆ ด, ดูกลายเป็นชีวิตแย่ๆเมื่อโรคเทียบเขาเทียบเรากำเริบฉันกับใหญ่นั่นใกรสวยกว่ากันครั้งนี้ผมได้คะแนนสูงกว่าจนนั่นหรือเปล่าดูแล้วครอบครัวเราน่าจะรวยกว่าบ้านนั้นไหมสูตรฉันกับสูตรเขาอันไหนอร่อยกว่าละ่ะโลกนี้มีรถหรูวิ่งให้เห็นบนถนน มีบ้านใหญ่ตั้งให้มองผ่านตามีคนออร่าเฉิดฉายเดินให้ดูตามห้างภาพกระทบตาเหล่านั้นทาให้ใจเกิดความอยากมีบ้างแต่ความอยากที่มาพร้อมความสิ้นหวังก็คล้ายหมันฮุกกระแทกให้จุกลิ้นปีและไม่รู้จะหายจุกได้อย่างไรแต่พ่อวนเวียนเปรียบเทียบง่ายๆอยู่แค่นี้คนส่วนใหญ่จึงมองกันด้วยสายตาไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าดอยกว่าเขาไม่มีอย่างเขาและไม่มีทางได้เท่าเขาเดี๋ยวนี้เลยก็เป็นธรรมดาที่จะอัดอั้นรุ่มร้อนนอนดินแบบไม่มีใครช่วยได้เมื่อเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าเหนือกว่าเขามีมากกว่าเขาและเหมือนไม่มีวันลงไปอยู่แค่ที่เขามีความรู้สึกพองอกคับฟ้าหน้าใหญ่ก็เกิดขึ้นแบบไม่อาจห้ามใจตัวเองได้ ความจริงแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้ามพ้นอารมณ์ดิบๆพันนั้นได้ด้วยการเซตมุมมองขึ้นมาใหม่ขอให้บอกตัวเองว่าโลกนี้ยังมีเรื่องน่ามองกว่านั้นคือมีคนหลายคนพยายามรู้อะไรอย่างหนึ่งให้ซึง้งพยายามฝึกอะไรอย่างหนึ่งให้เก่งพยายามคิดอะไรอย่างหนึ่งให้ชัดพยายามทำอะไรอย่างหนึ่งให้เห็นพยายามสร้างอะไรอย่างหนึ่ง ให้เด่นซึ่งสัญชตาตญาณเดิมจะทำให้เราขี้เกียจมองอาจจะเพราะมองแล้วเหนื่อยแทนอาจจะเพราะมองแล้วขี้เกียจเหนื่อยตามหรือมองจนกว่าจะเกิดไฟอิจฉาแบบใหม่ในนามของแรงบันดาลใจเลิกมองคนอื่นไม่แข่งกับใครเปลี่ยนความกลัดกลุ้มจุกอกเป็นความพยายามจะเอาดีให้ได้ทีละก้าวจนกว่าจะเจอตัวจริงของตนเอง เรื่องน่าอิจฉาจริงมีสิ่งเดียวคือใจเอาจริงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งระดับความพอใจในตนเองวันนี้ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานตลอดจนการไม่ต้องแข่งกับใครคือความสบายใจที่เป็นของจริงในหัวคุณจะมีแต่คำถามประมาณวันนี้มาไกลกว่าเมื่อวานแค่ไหนแล้วยังเป็นทุกข์กับความขึ้นขึ้นลงๆอยู่หรือเปล่า ถึงที่สุดของความพอใจในตนเองสถทีไหมหมายเหตุผู้อา่านสำหรับการเทียบเขาเทียบเราในทางธรรมะใช้ศัพท์ว่ามานะนะครับซึ่งจะมีความหมายคนละอย่างกับมานะที่ใช้ในภาษาไทย